เด็ดน้อยกลางออดเห็นมาไล่กอดกันกลมตะวันก็หลบดวงจมลังดองทักคมซองหุัวควายลูกออก เพิงหลังแนบไทยกะลิงเพลงรักอ้อยอิงลอยมาจะถ้ายทุง่งเอ้ยนุ่งบ้านในนะั้แข็งใจมานั่งตบยุงเพราะเพลงอวดป้าอวดลุงทำไมต้องอยุง อยากให้สายลมเหมือนลมจูบคนจริงๆ อยากให้สายลมเหมือนลมจูกคนจริงๆ